การทมาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เรียนไว้เล่นๆ น, นะพวกเราอุตส่ายากลําบากมาฟังเนี่ยฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะไปดําเนินจิตใจของเราไปสู่สันติสุขเส้น <_ c oughs> ทางนี้มีผู้ดําเนินมามากมาย <_ c oughs> องค์แรกคือพระพุทธเจ้าเส้นทางนี้ยังไม่ได้หายไปเส้นทางนี้มีผู้ดําเนินสืบเนื่องต่อเนื่องมาไม่ขาดสายบางช่วงอาจจะทิ้งช่วงหายไปหน่อยละ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 งั้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสักสองสามอย่างก็ได้จะเห็นเลยว่าธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเั่านั้นเลยอย่างเรื่อง เ, อเรื่องโพชชงก็ได้พชชงพชชงเราชอบมาสวดเวลาไม่สบายะสวดแล้วก็หายบ้างตายบ้าง <c oughs> เพราะว่าคนฟังโพดชงเนี่นะไม่ได้ปรับลื่มใจไม่เหมือนสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์ฟังโพดชงแล้วจิตใจร่าเริงเกิดธรรมปีติ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 แล้วกักูสลจะเกิดได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นพะสติจะเกิดไวขึ้นไวขึ้นตามความชำนาญของเราการที่อากูสลดับไปแล้วไม่เกิดใหม่สติเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเร็วยิ่งขึ้นเรียกว่าสัมมาวายามะหรือเรียกว่าวิริยะนั่นเองวิริยะในสติสัมโพในสัมโพชงนะก็คือตัวสัมมาวายามะดงนั้นการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนี่แหละเรียกว่าเรามีความเพียรชอบแล้ว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 พอรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนะมื่อจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี่นะความดิ้นรนความอยากที่จะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี้จะดับไปความอยากจะไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะความอยากหรือตัณหาหรือตัวสมุทัยนี่จะดับไปงั้นท่านสอนกรรมฐานท่านเริ่มจากเห็นไหมมีเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมแล้วไปสมุทัย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 เนี่ธรรมมาที่ท่านสอนนะั้เป็นเรื่องการภาวนาการปฏิบัติทั้งหมดเลยให้พวกเราค่อยๆเรียนนะค่อเรียนไปสังเกตดูจนกระทั่งสติตัวจริงๆเกิดนะเมื่อเมื่อมีสติตัวจริงๆเกิดแล้วค่อยๆศึกษาไปอีกนะใหส้สัมมาส ม, มาธิเกิดขึ้นนะการที่เราจะเรียนให้มีสติเกิดนะเราก็รักษาศีลไว้ก่อนนะแล้วเอาศีลของเรานี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมให้เกิดสติก็ได้นะเวลาใจของเราเกิดกิเลสแวบขึ้นมานะให้คอยรู้ทันไว้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 เราจำได้ว่าความโกรธมีลักษณะอย่างนี้งไหมมันร้อนๆนนะ้ําพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยถ้าแรงหน่อยขึ้นถึงหัวเลยขึ้นหน้าเลยนะใจเต้นตูมๆๆนะจะกัด เ, ดเข่าแล้วนะจำได้พอตัวนี้ผุดขึ้นมานะสติะระลึกเลยเนะนี่ยต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆพอมันจำลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองนะพอสติเกิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาวะ น, นั้นจะแสดงไตรลักษณ์ทันที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 เร็วเหมือนฟ้าแลบเลยพอโกรธแวบสติเห็นแล้วขาดสะบั้นพอรอบแวบสติเห็นขาดสะบั้นสติเร็วเพราะงั้นกิเลสมีกําลังอ่อนท่านถึงสอนบอกพระสกีทาคารนี่กิเลสเบาบางกิเลสเบาบางเพราะสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาไหลาแวบก็ขาดไหลแวบก็ขาดของเราไม่ขาดรู้สึกมหมไหลแวบไปเอา้าไม่ขาดอีกแล้วโมโหอีกทำไมไม่ขาดนะนเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะ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 รู้ให้สบายสบายรู้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปคือหนูมีเวลาทั้งวันสำหรับการดูอะค่ะมันเลยมันหมกมุ่นมากไปนะคะหางานทำบ้างไม่มีอะไรทำนะกวาดบ้านไปก็ก็ทำไว้ด้วยอะค่ะซักผ้าทำงานไปเรื่อยๆทาไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเพืรู้หรือว่าทำงานไปแล้วขี้เกียจ เราก็รู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นในใจเราเคลื่อนไหวไปเราทำงานไปแล้วเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเห็นไหมทราบได้อีกแล้วว่ารู้ <c oughs> ต่อไปไม่มีใครถามอะไรหลวงพ่อหรอเพื่อเนี่หลวงพ่อคะฐ <c oughs> านของจิตหนูเป็นไงบ้างคะ <c oughs> อย่าสนใจคำว่าฐานเลยนะยังไม่ต้องสนใจหรถ้าสนใจฐานเดี๋ยวจะไปเพ่งเอา <c oughs> เพ่งมากไปนลงพ่อคะ ไหนไหนหลงพ่อทางนี้<อ>ส่งกันบานอ้าวว่าไปส่งกันบานา <ไป S 1> ใจเราตอนนี้กับใจเราตอนเด็กๆเหมือนกันไหมไม่นั่นแหละกลับไปเป็นเด็กอย่างเดิมใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะมันชอบบิดเบือนชอบดัดแปลงให้ผิดธรรมดาจิตใจของมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดนะ อย่างจิตใจของเด็กเนี่ยใสใสซื่อๆสำหรับ ส, สังเกตไหมทําไมเด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วเพราะใจของเด็กน่ยใสใสซื่อๆมันโกรธก็คือโกรธมันโลบก็คือโลบนะขางผู้ใหญ่จะโกรธก็ต้องวางความนะจะโลบอยากได้ก็ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เห็นไหมมันเสแสร้งหมดเลยเวลาจะเป็นนักปฏิบัตินะมันก็เก็บกดเก็บกดไปทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทําอะไรจะกระดุกกระดิกะอะไรเนี่ยผิดธรรมดาไปหมดเลย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 พวกเราอยากรู้เยอะมากเกินไปเกินจาเป็นแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับมันไม่ได้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแค่นี้พอแล้วพอที่จะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยได้ไออม่ทราบว่าโยมยังต้องพัฒนาตรงใช่ได้แล้วคุณหมอดีแล้วคุณหมอดีแล้วล่ะ ว, วันนี้ที่มันเกร็งมากกว่าปกติเพราะคนมันเยอะกว่าปกติ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 อ่ะแล้วพอแล้วเครียดละเกรงนะหัดดูอย่างนี้นะพอจำได้ยังดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีแล้วลหละกับนมัตการหลวงพ่อเข้ารรษานี้ลูกตั้งใจแล้วก็กายในการบวชอุปสมบทนะครับ อ, อยากถามหลวงพ่อช่วยให้คำชีแนะ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 มรณภาพไปแล้วมีลูกศิษย์รุ่นพี่อยู่เขาพระบอกมาว่าเนี่ยหลวงปู่รับรองว่าองค์เนี้ยท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้ก็ไปหาท่านไปเยี่ยมท่านแต่ยังไม่ได้บวชนะไปถึงวัดที่ท่านอยู่เนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงมองปลดัดพลัดไปรู้เลยว่าองค์ไหนเขาเดินจงกรมอยู่องค์เดียว <laughs> นอกจกนั้นเป็นเวลาเย็นเช้าเอ็นเพล น, นอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจําวัด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 บางคนอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือแล้วก็หลุดออกมาตื่นขึ้นมามีแต่ซีดีเยอะกว่าหนังสือเพหนังสืออ่านแล้วมีสับเยอะไปนิดนึงที่ต้องเขียนสับเยอะหน่อยเผื่อให้พวกนกักพี่ทำมาอ่านบ้างไม่งั้นนักปริญญาจะกันักปฏิบัติไม่ถูกกันพูดกันไม่รู้เรื่องกลับมาประกันหลวงพ่อนะครับวันนี้จะมาขอรายงานการปฏิบัติก็คือช่วยยกไม้อย่างเนี้ยแบบนักร้องอ่ะก็คื อ, อที่ผ่านมาก็คือรู้ตัวบ้าง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 รูเ้เล่นๆรู้อย่างสบายๆรู้ไปแบบปลอดโปลง่งโล่งเบานะเสร็จแล้วใจไหลแวบไปรู้สึกไหลแวบไปรู้สึกแต่ไปพอใจมันขยับคลิกเดี๋ยวมันจะเห็นเองสติจะเกิดอัตโนมัติเดีย๋ยเพราจิตจําสภาวะได้แม่นอ่ะมีไหมมีเปล่าการน้สมนการหลวงพ่อครับตื่นเต้ครับคือผมได้ดูจิตแล้วก็เห็นจิตเนี่ยเกิดเป็นสภาวะที่เกิดติดต่อกัน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 ดูลงไปเรื่อยๆก็ดีแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกแล้วนะจิตใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ถ้าเราภาวนาไปแล้วมันยิ่งงวดเข้าไปเรื่อยๆนะเครียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าทนได้ก็ทนดูต่อไปถ้าทนไม่ได้จิตกระสรับกระสายก็เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ซะเบรกวิเครื่องเบรกที่ดีที่สุดก็คือการทําสมาธิแต่ถ้าทําสมาธไม่ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์ไปคือถ้าละหมกมุ่นดูลูกเดียวนะถ้าเครียดเกินไปไม่ดี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 ก็ อ, อยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติต่อค่ะของคุณนะลดความจงใจกําหนดลงนิดหนึ่งนะให้รู้นะไม่ใช่ให้กําหนดนะให้รู้ไปเรื่อยๆถ้าเรากําหนดไปเรื่อยเนี่ยสำหรับบางคนเนะีนะ่ยบางทีมันก็รู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆนะนะพยายามรู้สึกรู้สึกอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยให้เยอะๆไวนะ้แล้วก็ลดการจงใจปฏิบัติลงจริงจังมากไป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 โทสะมระจิตเนี่ยถ้าเรามีอาจินตกรรมคือใจเราคุ้นอยู่แต่โทสะโมระจิตตรงนี้เวลาตายนะกำลังของตัวนี้ให้ผลนะจะตกนรกเพราะอะไรก็รตกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วภาวนาแล้วก็เครียดไปเรื่อยมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วพอตายไปแล้วก็ไปจริงๆอย่านึกนะว่านารกเป็นนิยายหลอกเด็กมีอีกไหมหลวงพ่อคะ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 หัดรู้ไปทีแรกเราจะรู้แต่กิเลสที่หยาบต่อไปเราจะรู้กิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณหลวงพ่อครับมีอีกไหมกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อได้พูดถึงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงการปฏิบัติในรูปแบบแอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือการบ้างของหนูในการปฏิบัติ ในรูปแบบนี้ควรจะเป็นลักษณะไหนดีอะคะเคยทาอะไรบ้างก็เคยเคยทากายแบบโยคะพุทธโยคะค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดลงเครียดไปก็ทําไม่ได้แต่พอนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านแล้วก็เตลิดไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดกับการนั่งสมาธิขมใจมากเกินไปไปเดินเล่นไปไปเดินเดิน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 พอเวลาผ่านไปนะก็คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนที่มาหลังๆมีอยู่คนหนึ่งชื่อสุรวัตมาหลังเขานะหลวงพ่อก็เลยจะไม่มาที่นี่แล้วอุตส่าห์มามาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายัางไงหลวงพ่อเจอหน้าแล้วเลยไม่บรรยาบรรยังบอกต้องรู้ตัวให้เป็นก่อนต้องรู้ตัวให้เป็นก่อนบอกแค่นี้นะเขาก็เริ่มมาหัดรู้สึกตัวแล้วก็พาดูไปเดี๋ยวเขาก็เผลอเดี๋ยวเขาก็เพ่ง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 หลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าแล้วท่านน้ําตาไหลเลยท่านน้ําตาคลอไม่ถึงกับไหลน้ําตาคลอบอกว่าท่านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันอยู่บ้านผือรุ่นเดียวกันนะเขาพ่นทุกคนร้อนแล้วท่านยังไม่ได้แต่ท่านไม่เลิกนะอีกร้อยชาติท่านก็จะทํานี่หัวใจของนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะอีกร้อยชาติก็จะทํำกราบนพันสการหลวงพ่อครับคืออยากจะกราบเรียนธรรมหลวงพ่ออาการที่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 รู้สึกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะเราโดยส่วนใหญ่เราผมเพ่งเกินไปหรือเปล่าครับเพ่งเกินไปนิดหนึง่งลดลงนิดหนึง่งเพ่งมันมาจากความอยากดีเผลอนะ่มันมาจากความอยากชั่วนะ <c oughs> <c oughs> เพ่งนั้นมันอยากดีมันก็เลยไปเพ่งไวเพราะมครับเพราะฉะนั้นเผลอไปเ้าเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารนะที่ไปเพ่งก็เรียกว่าปุญญาพิสังขาร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 ข อ, อพระอาจารย์ได้กรุณายกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเพราะความประมาทด้วยเถินหลวงพ่ออาโหสิกรรมให้นะแล้วถ้าหลวงพ่อประมาทพลาดพลั้งอะไรพวกเราหลวงพ่อก็เอาโหสิด้วยน ะ, ะนี่ทำเนียมพระนะเอวังโหตุเอวังโห ต, ตุโยจะปุเ พ, พปมัาชิตวาปัชชาโซนัปมัชชะติโสมังโลกังป พ, พาเซติอาภามุตโตวจันติมา ยะสะปปังกตังกั ม, มังกุสเลนปะปิยติโสมังโลกังปภะเซติอาภามุตโตวจันิมาอาภิวาทนาศีลทธิชนิจังมุฒาปจ า, ายิโนจตาโรธรมาวะทันตียอายุวันโนสุขังพระลังเรวต้องถวายทานนี่ครับแต่เดี๋ยวถวายทานร่วมกันนะครับ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 อิตตังปติตังทุมหังกิปะเมวาสมิตฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโดปันนรสอยาทามณิโชติรสอยาทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขัง กลงัง